ใจหลับตาเจริญสมาธิกันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราในละดับทิ่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหยุดใจนิ่งอย่างสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ห่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง การทำใจของเราให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในไม่ใช่เรื่องอยากมากเกินไปอยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่เรารู้หลักวิชามันสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะจ๊ะ เริ่มต้นนั้นน่ตั้งแต่นั่งปิดเปลือกตาในระดับที่ปลืปล้ๆน่ะนิดๆเราก็ทำความรู้สึกในกลางท้องเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลาย เราต้องทำตรงนี้ให้เป็นนะจ๊ะแล้วมันจะง่ายผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเปลือกตาหน้าผากทิษะข้อบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะ อารองผ่อนคลายดูสิจันเนะี่ยผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสองถึงปลายในเทานะ้าให้ผ่อนคลายแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นหนูน่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาวานั่งในะมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชา แล้วก็นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งนิ่งแบบผ่อนคลายนุ่มนิ่งนุ่มเบาเบาเบานี่ยวทำตรงนี้ให้เป็นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอก สองสามประโยคที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสใสอยู่เหนือความอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็น ให้ใจเป็น ก, นกลางๆเนีย่ยลองทำตรงนี้สิจ้าให้เป็น ก, นกลางๆรู้สึกสบายถ้าทำสามสี่ประโยคนี่ได้ถูกหลักวิชาเนี่ยตัวของเราจะมันจะกลืนกับบรรยากาศถ้าทำเป็นนะมันจะกลืน แต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรล่ะมันจะกลือนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจชอบใจที่นั่งอย่างนี้เออรู้สึกไม่ยากความรู้สึกความไม่ยากเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะไม่เห็นภาพอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไร เม่อไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะจ๊ะอะถูกหลักวิชาแล้วและเนี่ยเรานั่งนิ่งเห็นได้ก็ดีเห็นได้แค่ไหนก็ดีไม่เห็นไม่เป็นไรนี่นมสบาย ถ้าทำตรงนี้เป็นมันไม่กี่นาทีหล้กใจมันก็รวมแล้ ว, วะมันจะรวมมันจะโลง่งตัวมันจะลงโลงโปรง่งเบาเราจรุดจักคำนี้เลยเข้าถึงคำคำนี้นจากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างนี้ จะไปใช้คำอื่นไม่ได้นะคือตัวมันโลง่โกงกลวงเป็นโพรงบางทีมันก็พองๆตัวโตวแล้วก็ขยายโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะได้เห็นอะไร ไอ้อย่างนี้ก็ยิ่งทุกข์หลักเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำถูกวิธีแล้วล่วละอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไรได้เฉยอยากอยู่อย่างเนี้ยอย่างสบายสบายทีนี้พอเราทำอย่างนี้มัน มันจะเกินกว่าที่เราคาดคิดมันเริ่มรู้สึกมีปิติที่เราสามารถทำได้แล้วก็จะมีความสุขน้อยๆขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นรางวัลให้เราอยากทำถูกวิธีเนี่ยแล้วก็มีแรงจูงใจอยากให้เรา นั่งอีกนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนี่แต่ถูกวิธีนี่มันจะเกิดอย่างนี้นะจ๊ะล้วอยากนั่งเองอยากนั่งอีกไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เวลาทำไมมันหมดไปเร็วยางไราะจาไม่นาสเพเลยอะไรอย่างนั้น ในถูกวิธีนะจ๊ะแม้ยังไม่มีแสงสว่างให้ดูยังไม่มีภาพอะไรให้ดูเลยมันก็พึ่งพอใจถ้าใครมาถึงตรงนี้นะถ้าก็ว่าเรากรรมความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวล้านเปอร์เซ็นตนะ์แปลว่าแน่นอน นี่คือข้อสังเกตของเราในแต่ละครั้งที่เรานั่งตอนที่เราเลิกนั่งแล้วนะจ๊ะอย่าไปสังเกตตอนนั่งแต่ถ้าเลิกนั่งแล้วให้ทบทวนทบทวนดูสมมติว่าเราจะนั่งสักสักหนึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่พอเราอยากจะเลิกให้นิ่งๆอีกสักสองสามนาที เพื่อทบทวนว่าเอวันนี้เราทำมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นทำไมรู้สึกวันนี้เราอยากนั่งจังเลยเนี่ยรู้สึกชอบจังมีวิตติมีความเบิกบานลนะให้ทบทวนสักสองสานาทีแล้วก็ค่อย ลุกไปเปลี่ยนอรว่าจะไปทำแล้วก็ไปทำเดอนี่สำคัญนะลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เรากำลังจะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นมันก็นานแหละมันจะเสียเวลานะแล้วเวลาเราก็ไม่ควรจะเสียไปมากเพราะเรามีเวลาไม่มากในโลกนี้ก็จะต้องทำให้มันถูกวิธีซะ แต่ตอนนี้แระช่วงนี้อากาศดีมากเลยมันสดชื่นนั่งในสภานี่เราไม่ต้องไปเปิดแอร์เลยเราเหมือนยกยอดดอยมาอยู่ในสภาธรรมกายสากลที่เราได้อากาศที่สดชื่นเบิกบานหรือจะปรับวิธีการเท่านั้นแหละ ลูกทุกคนนะมีบุญมากอยู่แล้วที่จะเข้าถึงแล้วก็เคยเข้าถึงกันมาแล้วแต่ว่าชาตินี้เราไม่ได้คอยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะโมไปเสียเวลากับสิ่งดีมันไม่เป็นสาระแก่นสารหรือเกิดประโยชน์อะไรมากนะเสียเวลากับสิ่งนั้นมากเกินไป เราก็ต้องมาเสียเวลาเพิ่มอีกในการที่จะคลี่คลายตัวเองนะให้ผ่อนคลายจากความคิดคำนึงอะไรต่างๆเ่านั่นนะให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วในชีวิตสำหรับชาตินีนะ้ทำให้มันถูกหลักวิชาซะนะลุงนะ ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกไปอย่างนี้แล้วก็ให้สังเกตอย่างนี้ทบทวนทุกครั้งที่เลิกนังเลอกดังแล้วก็ทบทวนแล้วก็จดจำไว้แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือวันไหนเรามีอารมณ์ดี ทั้งวันนะคน อ, อย่ยก็อยู่ๆอารมณ์มันก็ดีจิตมันเป็นกุศลคิดแต่เรื่องความดีเรื่องบุญกุศลหรือมันสบายใจหรือใจมันบ้องว่างมันไม่ติดอะไรเลยในคนในสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องวันนั้นเราจะนั่งดีเป็นพิเศษ หรือเราปลื้มในความดีอะไรในบุญของเราสักบุญหรือหลายๆบุญเนี่ยที่นึกแล้วปลื้มเป็นกุศลธรรมเวลาเรามานั่งในขายังไม่ตั้นในคู่เข้ามาเลยเนี่ยใจมันก็ลืร้รวมก็นไปข้างในแล้วเพราะด้านลูกทุกคนมีบุญบุญเก่าเน่ยมันมีเยอะมากพอที่จะเข้าถึง ศึกษาวิธีการให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกฝนปรับลงไปปรับลงวิธีการปรับใจไปเรื่อยๆให้มันผ่อนคลายแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นของมันไปเองแหละแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมจะใจความคิดผ่านมาบ้างในใจ ในบางครั้งบางคราวแต่ถ้าหากเราคิดว่าจะเอามันไม่อยู่แล้วก็เพย์เหบเลือกตากั้มานิดนึงมันก็จะหายฟุ้งเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเสมอทุกๆครั้งที่ใจมันเริ่มไม่ไม่หยุดไม่นิ่งมันฟุ้ง แล้วก็ปรับไป ส, สบายถ้าถูกต้องวิธีถูกต้องมันก็จะทำให้ถูกส่วนเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกายสงบใจสงบไม่ค่อยปวดเมื่อยอะไรแล้วก็เริ่มเบิกบานใจจะถูกตรึงให้ติดแน่น อยู่กลางท้องกลางกายนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้คํานึงว่ามันชานที่เจ็ดหรือเปล่าแต่เรารู้สึกจะถูกตรึงตรงนั้นจากถูกตรึงก็จะถูกดึงเหมือนวิวิธการถูกดูดลงไปกระดาษกระปีแม่เหล็กหลกแม่เหล็กยักษ์ที่เรามองไม่เห็นมันดึงให้เราเคลื่อนขึ้นไป ถ้าค่อยๆดึงเคลื่อนไปจช้าแล้วก็รู้สึกชอบเป็นสุขถ้าเคลื่อนช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลลื่นไปแต่ถ้าปลวดปลาดเหมือนตกจากที่สูงลงเหวมึงเหมือนตกลมอากาศวูบลงไปอีตรงนี้เราจะพผวาจะพผวาบางทีเหมือนเย็นแทบ จะขาดใจตายซึ่งเราคิดไปเองว่าโอ้เราท่าจะตายแล้วมึงไอ้ตรงนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ผู้รู้ที่แนะนำเนี่ยบางทีเราก็มาตกมาตายตอนนี้ทั้งๆ ท, ที่มันกำลังจะดีมาก เขาเรียกว่าอาการมันตกศูนย์มันถูกดึงดูดข้าไปอย่างนั้นเราต้องทำเฉยๆเฉยๆเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นก็เฉยๆแล้วลเดี๋ยวจะดีจ้ะจะดีมากๆเลยนะแต่จะนำภาคทฤษฎีนี้ไปใช้ในภาคปฏิบัติในกรณีที่ เรารู้แล้วเนี่ยและเรากำลังมีประสบการณ์อย่างนี้นบางทีรู้มากก็อยากเนินพอโจการดึงดูดเราก็เลยช่วยเร่งด้วยการดันมันลงไปเลยพดันลงไปเพื่อจะให้ไปถึงจุดที่ดีๆแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักวิชาใหม่ว่า ให้หยุดนิ่งเฉยๆในทุกๆประสบการแล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลุกคกล้งที่จิตมันหยาบแล้วไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนะจะกระทบทวนใหม่ฝึกใหม่ ฝึกฝนนไปอย่างนี้แหละไม่ช้าเราก็จะกรรมกวา่าสำเร็จได้และก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่เกิดวในาตินี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศกำลังดีนะลูกนะเราหยุดใจไปอย่างสบายๆนิ่งนม เบาๆบาผ่าอนคลายนิ่งนุ่มเบาๆบาผ่อนคลายให้ใจสบายอัลองทำกันดูนะจ๊ะ